วันนี้จะได้กล่าวถึงสติอีกสตกิคือความระลึกได้ความระลึกรู้เป็นธรรมะที่เราจะต้องมีให้มีขึ้นในจิตใจของเราตลอดเวลาจิตใจของเราก็จะได้รู้ธรรม เสือถึงทมและปฏิบัติธรรมจิตใจที่ปราศจากสติเป็นบอกเกิดแห่งอคุิผลทั้งหลายเพราะอคุิผลจิตทั้งหลายจะเกิดขึ้นเพราะความเผลอเพราะความไม่รู้ตัว ถ้าบุคคลผู้ใดลอยลอยจิตใจให้เลื่นเลเธอตัวคิดเลื่อนลอยไปโดยนี่สติกำลังสติก็อ่อนแก่ไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเราสังเจตโวยจิตใจชอบคลิดเลื่อนลอยไปตามพลร์ต่างๆไม่ค่อยจะกลับมารู้ตัวของเราเอง ในนั้นในหลักธรรมาคุณท่านแสดงลาโอปนาเยโกเหตุน้อมเข้ามาอยู่เสมอเพราะความสุขและความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นหลับกบุญคุณโทษอยู่ที่เราเราเมื่อเราจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแก้ที่จิตใจของเรา ไม่ต้องให้คนอื่นมาแก้บางคนเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาเกิดความสงสัยเพราะความไม่รู้ความจริงนี่เป็นเหตุให้ถูกหลอกลวงไปในทางที่ผิดได้โดยง่า ย, ายนึกว่าจะแก้ได้อย่าง น, น้นแก้ได้อย่างนี้ช่วยได้อย่างน้นอย่างนี้ ไม่มีใครแก้ได้เรื่องทุกข์กไทยในวัฏโงสารหรือถึงได้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากขันส่วนใดส่วนหนึ่งก็เด็เราคนมาแก้ที่จิตใจของเรารตามคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ายึดมั่นในคําสอนของพระองค์เป็นที่พึ่ง นี่แหละที่จะแก้ได้นอกกนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้ที่เราส่วดแต่เรากรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ไห่ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดน่าจะศึกษาให้เข้าใจในหลักอันนี้แล้ว เพื่อจะได้สถียืนภาพทางจิตใจของเราให้มั่นคงในการศรัทธาเชื่อในคุณดยพระเจ้าเพื่อจะได้มีที่พึ่งทั้งปัจจุบันและดวงนาำทำคําสอนโดยพระเจ้าถ้าเรายึดแล้วปฏิบัติตามโดยความเคารพโดยความเดื้อสายย่อมเป็นที่พึ่งได้ทั้งปัจจุบันและดวงนา การจะเราเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อว่าเพื่อจะมีความสุขความทุกข์ก็เพราะกรรมความดีและความไม่ดีที่ได้ทำไว้แต่ละบุคคลที่เราได้สรอยผลในปัจจุบันเราจะแก้อย่างอื่นแก้ไม่ได้เราต้องมาแก้จิตใจของเราแม้จะทุกขนาดไหนก็ตาม ถ้าสติของเราดีปัญญาของเราดีแล้วสามารถจะหนักดับทุกข์ได้สามารถจะแก้ได้โดยตนเองโดยการฝึกสติภาวนาเมื่อจิตสงบได้แล้วมันปล่อยวางทุกข์มันก็ขาดไปเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เชื่อว่าทุกข์นี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอสตา เมื่อสิ่งใดที่เป็นอาานัตตาจริงนั้นี่ก็ไม่ใช่อัตตาแล้วเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาแล้วเราปล่อยวางได้เราแยกได้ด้วยความรู้จริงขึ้นมารูปก็เป็นอนัตตาเราสวสดอยู่เสมอตอนเชา้า แเราก็ควรจะยึกยกเรื่องนี้มาพิจารณาที่เราสวดจนจําได้นะรูปธรรอนัตตาเวทนาอนัตตาท่านญาณตาทังนขาราอนัตาานตาวิญญาณังอนัตตาตัดเบสั่งขา้าราอนิจจาตัดเบธรรม า, านัตานตาสินการสวดเหล่านี้ซึ่งมีนโนะยบายเพื่อเราทั้งหลายได้จําหลักแล้วก็ ต้องไปปฏิบัติที่เจรณาให้เข้าใจจะได้ละจะได้ปล่อยวางจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องรูปรูปก็ได้แก่อสุภาพร่างกายของเรา ที่เราจะเข้าใจถต้องก็ต้องภาวนาพิจรารณาคือเวลาพวกเราที่เรามาอยู่อย่างนี้นนึ่งเยอะทีเดียอยากลองติดไถ่เดินเด้อถ้าเราอยากจะสงบเร็วอยากจะรู้เร็วอยากจะนิ่งเร็วก็ต้องทํางานอันนี้ให้ต่อเนื่องกันด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบ เวลามีงานรวมกันก็ทําดยความํารวมระวังครอบครัวก็ตำรวมระวังเงลยเป็นธรรมก็ได้อยับปล่อยให้เดมือนเดิอพิจารณาอาหารการกินพิจารณาจนถึงร่างกายที่อยู่ได้พิจารณาถึงเมื่อยยืนพิจารณาจนเห็นความไม่แน่นอนเห็นภาระที่น่าบื่นหน่ า, นายแต่ก่อน พิการนาเวลาล้างบาตรเวลาเนตกินแล้วก็ล้างล้างแล้วก็กินกินแล้วก็ล้างจำศาสตมาชีวิตนี่ไม่มีหน้าไม่หลังไม่มีกลิ่มไม่มีพองานอะไรทำเยอะเราไปทํารัวทําอะไรถ้าจิตฉลาดแต่ล้วนจะเป็นอุบายเป็นธรรมะให้เราได้สนบ เราถอดถอนจากความหลงได้ทั้งนั้นค่ะปัญญาของเราดีสติของเราดีเ ม, มื่อแต่เราจะยกขึ้นเป็นอาาริยสัจในตัวทุกขจักรนะแต่เราไปหลงในรูปความจริงไปยินดีมัมมวๆก็เป็นสมุทยัยเราเตือนใจของเราทัศสติของเราดีแล้วได้บุญตลอดเวลาทํา ง, งานอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศล ตลอดเวลาเพราะเป็นเหตุเป็นผลที่เราควรจะเรียนรู้ควรจะกำหนดรู้พวกกําจัดความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาเรากับกำจัดอวิชชาโดยความรู้แยกก็รู้อย่างนี้นะ่ะถ้ามันรวมกันเป็นต้นพนุกําลังตัวอวิชชาจริงๆมันมืดมกับเราเข้าใจมันจะไปรู้อะไรใครจะไปแก้มันได้เราต้องฉลาดวิธีจะแก้อวิชชา มันก็อวิชชาในสิ่งไหนที่เรายังไม่รู้แต่เมือ่อกำหนดแล้วมันจะรู้ได้เกิดความเข้าใจได้เราก็เท่ากับกำจัดอวิชชาในส่วนนั้นได้เ อ, อเช่นว่ารูปฟังอวิชจรูปไม่เทียบเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้สุขัสอบรมไม่เห็นไม่เที่ยงตรงไหนไม่รู้ไม่เที่ยงตรงไหนก็ยังเป็นรูปเร า, าอยู่ ไปที่ไหนก็ยังไปโดยกันอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันอยู่โดยกันมาทังยี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบหกสิบปีแล้วเนี่ยเลยมันไปเห็นแต่เฉพาะอย่างนั้นถ้าเรามาพิจารณาโดยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ไม่เที่ยงถ้าหากรลกนี้มันเที่ยงเราไม่ทุกเลย เพราะมันจะลดสุดจงอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องหามาเสริมมาบำรุงทีนี้เราดูสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่ปกติดเราเช่นผมของเราผมจะเราเปิดไม่มีแล้วยิ่งพระเราก็พิจารณาได้ง่ายผมจะเดินก่อนไม่มีแล้วมันต้องเกิดขึ้นมาใหม่ มันเกิดมาใหม่ถ้าไม่เกิดมันก็หมดแล้วเรืองแต่นั้นแต่มันเกิดมาอีกมาปกปิดนึกไวาไม่ได้ไปไหนอันที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนแทนมันปกปิดเราบำพำพรางจิตใจเราที่มันหมดไปที่เรามาบำรุงให้เกิดขึ้นสืบๆเหลกันไปเหมันเกิดแสงไฟให้เราจุด แสงใจนี ah. ่ก็ไม่เสี่ยงแล้มันก็หมดทุกระยะเลยด้วยมันไม่ใช่อยู่เฉยนะแต่มันเกิดก็เกิดทุกระยะมันตัดกับดับมันเท่ากันก็เลยมันมองเห็นมันมองเห็นเรารู้ได้อย่างไรว่ามันดับตลอดเวลาคือสูดได้เพราะเชื่อมันหมดไปนั่นถ้าไฟมันอยู่เที่ยงเชื่อเที่ยงใส่นั้นมันต้องเที่ยงด้วยต้องไม่หม เมื่อมันหมดตลอดเลยดาแล้วก็แล้วก็ที่สูดอีกเมื่อมันหมดแล้วไฟก็ดับจริงๆไม่เห็นมันเลยลนะเพราะมันไม่มีทางเกิดอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญารู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยพิจารณาเทียงเที่ยงเราดูตรงไม่เห็นวิถ่ายนอกภายในตัวของเราเป็เช่นเดียวกันตัวไม่เที่ยที่มันตาย ที่มันพูดยาวมอนจายตลอดเวลาเรื่องการปกปิดที่เราไม่เห็นห น, นี่นะหนองของเราเมื่อก่อลุกเรื่องออกไปหนังแรกมันไม่ได้อยู่แล้วเอมันเป็นเนื้อเป็นใครโซ่ออกเป็นหนังใหม่หนังหนังอ่อมาเป็นหนังแก่หนังแก่มันก็หลุดเป็นเนือคอไข้โซ่ออกไปหมดเตามตามกันมันก็เปิดม้มันก็สนมา มันไม่เทีย่ยงอย่างเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เราก็เห็นแล้วพี่เมื่ออยากให้มันอยู่เราอยากได้อยากมันอยู่อยากอาศัยตลอดไปแล้วก็ต้องหามาบํารุงนี่แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เทีย่ยงความไม่เทีย่ยงมันไม่ใช่ว่าหมดสิ้นไปเพราะเราบํารุงอ มันกกไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมีเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งหมดอยู่นานเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่งนั้นต้องทรมานอยู่อย่างนั้นตลอดไปทีนี้เรายังไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างทุกข์เพราะมีโรค ภ, ภัยมีโรคต่างๆมีอยู่ประจอยู่ทุกๆคน จะกตรวจด้วยตัวการต่างๆเสมอเวทนาเราพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตใจก็ไม่หลงมันรู้ความจริงยอมรับสวาจิงพอเนี่ลนะเพื่อจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จิตจะได้สงบเพราะเหตุใดเพราะมันเป็นภา ร, ระจริงๆ เมื่อเห็นว่าเป็นอาระบนนายแล้วจิตเพรมันก็ไม่อยากรับภาระมันอยากสงบอยากปล่อยวางไม่ใช่เราพิจารณาเพื่อจะแบกบเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาอย่างอื่นเพื่อเอาวัดหัวเนี่เพราะเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่กอทุกข์ก่อปวนจิตใจของเราให้จะต้องดิ้นรนอยากได้นอนอยากได้นี่ยก็เพรา ะ, ราะมา ชดเชยอันิงที่มันหมดไปนี่เองสิ่งที่หลอกที่สำคัญที่สุดที่เรายินดีพอใจในการสำรุก็คือตาเห็นสำคัญว่าแต่สวยงามอันนี้แหละที่จะเราจะยินดีพอใจในการที่จะแต่ส่งเสริมไป เรงเสริมไปแต่เราใช้สติปัญญาตามความจริงดูให้หลักหลักแน่นมั่นคงแล้วแยกออกลองดูแล้วไม่เห็นทิศหน้าปรัถนาตรงไหนหนังพอเอาแยกกันดูส่วนหนังมาก่องไว้เมื่อจะเอามากองไว้ เอาเอ็นออกจากกระดูกกระดูกออกจากเอ็นอยู่คนละท่อไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นเราไม่เป็นเขาเนี่ยเรากำจกัดทวิชาที่เราไม่รู้เราสงการว่าเป็นของเราจริงๆหนึ่งเลยแบบภาระจัง อกูสนขึ้นมาเพราะเราไม่รู้สิหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พิจารณาจริงๆจ้างสติระลึกขึ้นมาเราจะได้ความสุขเพราะเห็นเนี่ยจักรธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขเพราะพระองค์ดํานจิตอย่างนี่ยตั้งสติระลึกอย่างนี่เรียกอ่ะมหาสติปัฏฐาน เรียกว่ากายเยกายยาหรืปัจจุบวิธารติแต่รู้จักกายในกายรู้ได้โดยหลายวิธีแม้ต้งเปิดประมอนเปิดเป็นกัจจันละยังไม่มีรู ป, ป ร, ร่างปฏิบัติทิขังแรก มัน่ะเหมือนกับ น, น้ำมันที่ใส่ไปเจอในขนจามารีที่สลัดออกแล้วถึงเจ็ดครั้งแต่ก็เหลือเปียก ด, ดอยู่นิดเดียวนั่นแะรูปแก้เกิดนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อตั้งได้แล้วมันก็คอยตกแต่งขึ้นมาขยายขึ้นมา เกิดใหญ่ขึ้นมาตามละดับละดับไมเที่ยงแต่ตั้งแต่ตแรกแต่นิดเดียวมันเที่ยงแต่มันมันไม่เที่ยงมาเป็นรูปใหญ่ขึ้นมาเปลียนจากน้ำใสๆมาขดข้นขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเอก มันก็แสด้เป็นปุมออกข้าเหุปรากฏเป็นห้าจุดจุดเสียจะจุดแขนสองขาสองลายวันลายคืนก็มันก็ค่อยขยายเข้าขึ้นมาอีกมันเป็นของภายนอกแต่แท้อันนี้ไม่เที่ยงแต่แท้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ให้พิจารณาให้จริตจิตวิญญาจิตใจจะได้สงบจะได้ไม่หลงจะได้สร้างสติของเราให้มันคล่องแคล่ในการรู้เห็นไม่ให้เล่นหน้าพอมันตรุงในทางที่เกิดความหลงขึ้นมาเราทักทำสติเลยสติมันดีถ้าสติดีแล้วจะไม่เกิดความมัวหมองในจิตใจเลย พอมันปรุงไปในทางไปไหนมันก็ะชันชันชันถ้าเราฟุตฟุกัดสติไม่คล่องตัวถึงขนาดนั้นไม่ไม่ทันความหลงไม่ทันความดืมเราสร้างสติให้มันทันย้ายมันหลงได้ย้ายมันลืมได้ในการรู้ตัวในการที่เราจะคิดนึกไปในทางไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้องอาศัยที่สงบสงบอาศัยวิเวกอาศัยอยู่คนเดียวซึ่งจะมีเวลา โผล่หน้อยถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วคนนั้นคุยนอนคนนี้ชวนพูดนี่แบบโผลไปอยู่ตลอดเวลาวันก็ผ่านไปผ่านไปไม่ได้ถึงไหนสติก็ยังไม่คล่องตัวยังเชื่องช้าอยู่ส่วนความหลงเนี่นมันคล่องจิตมันคล่องไปตามความหลงความสมา เราจึงจิตใจจึงไม่ค่อยสงบจึงสงบยากในความสุขยากเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นในพยายามมีสติให้มากมีความรู้ตัวให้มากอยู่ที่ไหนก็ตามให้กําหนดแร่งเพื่อจะได้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเอาให้เจรสติรู้ก่อนจะบริการอะไรเรูอ้อะไรก็รู้เอาเหมือนกับ ไฟที่มันสว่างอยู่ในตัวความรู้เหมือนกับความสว่างอยู่ในตัวเรานี่แหละเห็นได้หมืดเห็นทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่เห็นก็ต้องบูให้มันเห็นไม่รู้ก็ต้องรักษาให้มันรู้ว่ามันมีอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ ส่งพระดำรัสไว้ข้อหนึ่งว่าเวเดยณะยกกัณ์ใจสิจะโลภทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เป็นคำย่อๆที่เราจำไว้กำหนดเป็นหัวข้อในการปฏิบัติถ้ามันยาวมากไปจำไม่ได้ ฟังมากมากแล้วจำไม่ได้ไม่มีประโยชน์จําย่อๆถ้จําได้แล้วเราก็นําไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ทีนทุกได้เพราะความเพียรไม่ ใ, ใช่พนได้เพราะไม่มีความเพียเพรเพราะความเปิดอัาเพราะความเกลียดครับ สิ่งต่อเล่รุนแต่เป็นี่เพกิเลสที่จะต่อทุกข์ให้เกิดขึ้นความเพียรเท่านั้นที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้ความเพียรในขอนี่พระองค์รงตรัสในความเพียรชอบในองค์มร คือเพียงพอนาดูจิตใจของเราเทยยามโบจิตใจของเราให้รู้ตามความเป็นจริงจิตใจของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าจิตใจมีความทุกข์มันทุกข์เพราะเหตุใด จิตใจของเรามีความสุขมันสุขเพราะเอ็ดใดเราก็ดูแต่เราไม่ดูมันก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นรู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทุกได้เพราะความไม่รู้แต่ยิ่งไม่รู้มากก็ยิ่งจะทุกมาก เพราะความไม่รู้เนี่ยเป็นตัวสมุทยอย่างสุคัญเป็นตัวหลงอย่างสำคัญเหมือนกับเราไม่รู้หนทางเนี่ยไปก็ไม่ถูกไปไหนก็ไม่ได้จะไปได้ถึ่ไหนเพราะเราไม่รู้ระฉะนั้นเราจะออกจากทุกจากจาก้อนจากทุกจามีความเพียรเแี่ยก็ เพียนในการภาวนาโดยจิตใจของเราจิตใจเป็นของละเอียดเราจะสัมผัส ด, ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากสิ่ละเอียดด้วยกันคือสติกสัมปชัญญะในมาหาสติปัฏฐาน การพิจารณาคิดเตจมตานุปัตสิวิหารตรีอาตาปิงอาตาปิงไปใช้ความเพียรเป็นตบะเขาความเกลียดครานให้เกิดความขยันขึ้นมาเขาความเมื่อแท่นสว่างขึ้นมาเรียสอาตโปด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมัยขัญยานี่จะทำให้สว่างจะทำให้รู้ จะทำให้ถึงจิตถึงใจถึงธรรมเพราะฉะนั้นเพียงชอบเดียกสมาวายามกเป็นองค์อริยสัไม่ใช่ธรรมดาที่เราเพียรภาวนาอยู่นี้เราควรภาท่าใจที่เราได้เดินตามรอยบาตรพุทธองค์ เราะความเพียรเท่านั้นเนี่ยที่จะทําให้เราได้ผลทุกเหมือนองค์สมเด็จพระธรรมมาถึงพุทธเจ้าคําว่าความเพียรเนี่ยไม่ใช่ทำครั้งเดียวทํำบ่อยๆรอลึกบ่อยๆต่อเนื่องกันเหมือนกับสติ <c oughs> เพียรพยายามคราวนี้ไม่สงบเอาเข้าไปอีกอยังไม่สงบเอาเข้าไปอีกเรื่อยไปมันคงจะสงบถ้ามันไม่เห็นเพียรเข้าไปอีกเพ่งเข้าไปอีก หลักเข้าหนเข่ามันคงเห็นคงรู้มันก็เราเรียนหนังสือเท่อสวดมนต์ท่องอะไรคราวนี้ยังไม่ได้เอาเปิดดูอีกท่องอีกเปิดดูอีกท่องอีกผลที่สุดหนกูกระดาษเนี่ยความเพียรมันทัน้งหมดอย่างนี้แหละมันพ้นจากความไม่รู้ได้อย่างนี้แหละพ้นจากความสวดไม่ได้กลายเป็นคนสวดได้แ้่ท่องเนี่ยจาเรลยด้วยความเพียรของบุคคลภายนอกแทนได้เพียรภาวนา เพื่อพ้นจะกทุกเพื่อรู้ของจริงเพื่อเห็นของจิงเพื่อจะออกจากทุกได้เพียนเจกอยากรู้ทุกแล้วก็ทุกมีอยู่แล้วแล้วก็เพียกนกำหนดรู้จนสามารถปล่อยวางอุปทานยึดมัน่นถือมั่นสําคัญผิดได้จนรู้เห็นว่า รูปปังอนัตตาที่เราสวดเมื่อกี้นี่พิกษุทั้งหลายรูปนี่ไม่ใช่ตัวต น, วนรูปปัจจัยดังพิกเว อ, อัตาภวิตัตถารูปเป็นตัวตนแล้วขอรูปอย่าเป็นอย่างนั้นเลยขอให้รูปจงเป็นอย่างนี้เถิดนี่มันจะได้ไหมล่ะถามแล้วก็บอกว่าไม่ได้ เมื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสาคตยึงใดเดรียกว่าโลกนี้เป็นอนัตตาเพราะบอกไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเวทนาเราอก็เป็นอนัตตาเราจะขอว่าขอให้เวทนาของเราให้เป็นอย่างนี้ที่เราชอบคือความสุขอยู่ตลอดไปขอความสุขจะได้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราจะได้มีแก่ตัวของเราขอไม่ได้ สุขก็ขอไม่ได้ทุกข์ก็ขอไม่ได้เพราะสภาวะเวทนามันไม่เที่ยงถอฉะนั่นเกิจึงเรียกว่าอนัตตาเรายังไม่เห็ น, น, นเป็นอนัตตายังเป็นตัวเป็นตนพิจนาแล้วพิจนาอีกเมื่อทำพระองค์สอนอย่างนี้ว่า เราจะพ้นจากทุกได้เพราะเพียงดูอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เห็นสิ่งนี้เห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างเหมือนกับในมหาสติปัฏฐานถ้าเราไม่ดูกายก็ดูจิตโลวงปูมัน่นสัญย้ำแล้วย่้ำอีกเลยเขไม่ดูองการก็ดูจิตท่านไดูจิตก็ดูกายนหมก็เห็นขอเห็นชักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดูจิตมันดูละเอียดมันมันเห็นยากกว่าดูกาย เมื่อดูกายเห็นตามความเป็นจิตจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายไม่ใช่กายเบื่อหน่ายดูกายก็เพื่อจิตดูจิตก็เพื่อจิตกายจิตนั่นแหละเป็นผู้เห็นจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้พอจิตมันหลงกายก็เราก็อบรมจิตให้มันรู้ความจริงของกายที่ในตัวของเราเมื่อเราเห็นชัดกตบกายของเราในตัวของเราแล้ว กายคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็รู้ได้ไปด้วยมันก็ไม่ต่างกันอะไรเพราะธาตุสี่เช่นเดียวกันเหมือนก็มีไรลักษณ์อันหนึ่จังถูกขังอนาาัตตาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมสูตรนี้เราเห็นหนึ่งแล้วก็สามารถเห็นไปหมดเบื่อหน่ายอันหนึ่งแล้วก็เบื่อหน่ายไปหมดรูป้ปัจจานิยมเป็นอันเป็นสิ่งถาท่านเห็นว่าเป็นอนาาัตตาท่านก็เบื่อหน่าย ในโลกเวทนาญาพินิเินติในเวทนาสัญญาญาพินิเวนติเมื่อไหนในสัญญ า, า, าตั้ในในงก า, ารเรตุพินิเินตินเมื่อไหนในสังขารวิมญาณัชวินพินิเวนติเมื่อไหนในวิมญาเมื่อเห็นสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราพยายามควรภาคภูมิใจในการปฏิบัติ เราได้มาศึกษาในสถาบันองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้ า, ไ ม, า, รรมาไม่ใช่เป็นสถาบันธรรมดาเห็นว่าคนสังลายไม่ค่อยนิยมมนจำนวนน้อยแล้วก็ดูแคลนว่าคงจะไม่สำคัญของมันสูงของมันเลิศนะคนจะได้คนจะถึงได้ไม่กี่คน